นครัเมื่อวานนี้ผมได้ติดค้างนะครับในการต่อสอบของเปเยสูนะครับในการเอาชนะการทดลองของมารซาตานนะครับเปียสูได้ยกพระคมภีร์นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมัญญาตบทที่หกข้อสิบหกนะครับว่าอย่าทดลองพระเจ้าของท่านนะครับเราเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นสอดคล้องกับคมภีร์อีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือในพระธรรมอพยยศบทที่สิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงข้อที่เจ็ดนะครับ พระธรรมอกประยชบทที่สิบเจ็ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดนั้นมีใจความนะครับดังนี้ครับคือขณะที่โมเสสนั้นได้นำคนชาติอิสอเอลนั้นออกมาจากอียิปต์เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในช่วงระหว่างนั้นครับสี่สิบปีในถิ่นพระกันดารเพราะเนื่องจากอิสอเอลนั้นได้บ่นต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าให้เขาวนเวียนอยู่ในถิ่นทรกันาถึงสี่สิบปีครับคนที่ออกมาจากอียิปต์นะครับทุกคนตายหมด นะครับยกเว้นโยชิวานะครับและคาเลิพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองครับ40ปีนั้นเป็นบทเรียนสอนใจอิสอเอลในสมัยต่อๆมาและเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนในทุกวันนี้เราเห็นครับว่าเมื่อโมเสสนั้นถูกบน่นเขาถูกบ่นจากคนชาติอิสอเอลซึ่งเขานําออกมาเองนะครับว่าทําไมท่านถึงนําเราออกจากอียิปต์และให้เรามาตายในถินทั่วกันดานเพราะขาดน้ําขาดอาหารเรา นี่คือสิ่งที่โมเสสถูกชนชาติอิสอเอลที่พี่น้องของเขาเองนี่บ่นนะครับชนชาติอิสอเอลเนี่ยไม่เคยแอบใจหรือซาบซึ้งในสิ่งที่โมเสสได้ทํานะครับความทุกข์ยากลําบากการเสี่ยงภยัยการเผชิญพยันต์ตรายจากฟาโรนะครับทั้งหลายนะครับส่วนต่างเหล่านี้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยโมเสสลับไว้เต็มๆครับแต่ท่านไม่เคยได้รับความชื่นชมชื่นชอบขอบคุณเลยนี่ครับ พี่น้องครับพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับหลายหครั้งเนี่ยเราถูกวิพากษวิจาร์เราไม่ถูกชื่นชมนะครับนะครับขอให้มีกําลังใจจากพระเจ้านะครับและหลายหลครั้งหลายๆคนก็รับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งนะครับแม้ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาหรือเป็นฆราว่าก็ตามพี่น้องครับเราจะต้องยืนหยัดนะครับอยู่ในการรับใช้ของเราอย่าให้เราท้อใจเพราะคํานะครับบ่นหรือต่อว่าหรือไม่พอใจของคนบางคนครับพี่น้องครับ การบน่นการต่อว่านั้นแสดงว่าคนอิสราเอลนั้นได้ขาดความเชื่อครับและในการที่ขาดความเชื่อนะครับมันก็จะนำมานะครับเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าสงสัยพระเจ้านะครับเมื่อสงสัยพระเจ้าเนี่ยก็ต้องการพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือพระเจ้ามีน้ำม้าไถ่เช่นนั้นจริงจริงหรือเปล่าพี่น้องครับซาตานมันมักจะเล่นกับความสงสัยของเราเสมอนะครับ เพื่อที่จะทำลายความเชื่อของเราผมพูดอีกครั้งนะครับว่าซาตานนั้นมันมักจะเล่นกับความสงสัยของเราเพื่อมันจะเล่นงานความเชื่อของเราทำลายความเชื่อของเราความศรัทธาของเราที่อยู่ในพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าน่าคิดนะครับและเป็นสิ่งที่น่าสังเกตพี่น้องครับโดยการเปิดทางครับซาตานมันพยายามที่จะเปิดทางให้เราเห็นนะครับว่ามีทางรับ หรือมีทางที่ง่ายกว่านั้นเหมือนกับที่มันพยายามที่จะล่อลวงพระเยซูว่าพระเยซูอยากจะได้สง่าราศีอยากจะได้プライท์อยากจะได้ความอมีมีเกียรตินะครับมีชื่อเสียงนะพี่น้องครับมีทางง่ายๆก็คือกระโจนลงมาจากพระวิหารสิครับมารซาตานล่อลวงพระเยซูอย่างนี้นะครับมันเปิดทางที่ดูเหมือนง่ายกว่าครับมันเปิดทางที่ดูเหมือนเป็นทางลัดครับพระเยซูไม่ต้อง ทนทุกข์ทรมานนะครับนะครับไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วนะครับแค่ออดอาหารสี่ิบวันปุ๊บพระเยซูก็ยิ่งใหญ่ได้เลยพี่น้องครับมันเอาความสำเร็จนะครับมันเอาเกียรติยศมันเอาชื่อเสียงนั้นมาหลอกล่อเราครับมันเอาพรายมาหลอกล่อเราครับมันเอาการตบรางวัล น, นะครับรางวัลที่เกิดขึ้นคือโอ้โหจะเห็นทูตสวรรค์ครับมารองรับเลยพระเยซูจะไม่กระแทกพื้นเลยเท้าของพระองค์จะไม่ชกทั้เลยนะครับ ไม่ต้องไปเหยียบหัวของมารให้ชอกช้ำเลยนะครับเอามาล่อพระเยซูครับเช่นเดียวกันครับในทุกวันนี้มันก็เอามาล่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นประการที่สองนะครับของการทดลองหรือการล่อลวงของมารซาตานขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับในการที่เราไม่เพียงแต่จะต้องเรียนพระคัมภีร์ให้มากทราบพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ให้ถ่องแท้นะครับและต้องทราบความหมายของพระคัมภีร์ด้วย นะครับพี่น้องครับเราจะต้องตั้งใจที่จะไม่ทําสิ่งโง่โง่ตามมารซาตานครับเหมือนกับที่พียร์ซูไม่ได้ทําสิ่งที่โง่โงก็คือกระโจนลงมาจากหลังคาพระวิหารแต่โปรงค์ตอบซาตานด้วยข้อพิมพีว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านพี่น้องครับเราจะต้องจดจําข้อพิมพีไว้ให้มากๆนะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในการที่จ ะ, ะเผชิญกับการทดลองเหมือนพระเยซู ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอย่าให้เรานะครับอย่าให้เราเล่นกับมันอย่าให้เราบ่นอย่าให้เราสงสัยพระเจ้าแต่ขอให้เราั้นที่จะผ่านการทดลองนะครับโดยพระจนาของพระเจ้าอย่าให้เรามีความสงสัยนะครับในพระเจ้าของเราอยากขอให้เรามีความเชื่อความศรัทธามากยิ่งขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะซาตานมันมักจะเล่นกับความสงสัยของเราเสมอเพื่อทาลายความเชื่อของเรา นะครับมันมักจะเปิดทางที่ดูเหมือนง่ายกว่าเป็นทางลัดครับนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องทุกข์เราจะผ่านมันไปได้นะครับเหมือนกับที่พระเยซูไม่ต้องขึ้นกังเขนนะครับมันเอาไพรส์นะครั บ, เ อ, รนะรบเอาความสำเร็จนะครับเอาการลังวันนะครับมาล่อลวงเราพี่น้องครับเราต้องเอาชนะสิ่งต่างต่า ง, างเหล่านี้ให้ได้อาร์เมน